ปรองดองไทยทั้งผองสำนึกในใจทุกนาดวงทั้งฝนเล้งน้ำท่วมก็พนทุกลูกมีสุขได้นอก เพราะพองห่วงทำฝนเทียมสร้างเขื่อนให้ใหายเศร้าวสวงโครงการลวงทรงดำริเพื่อพูกเื้อเรา วังเราจึงอยู่ในใจปวงชนทั้งเหนือใต้อีสานกลางต่างสำนึก จึงรวมใจผนึกไม่สับสนเถิดพระเกียรติพ่ออยู่หวมภูมิพลเป็นมิ่งควันมงคล ชนชาวไทย